การปฏิบัติถึงขาวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงถึข่าวเฉียบขาดต้องเฉียบขาดมันเป็นไปในในจิตนี่เองถึงขาวจะเอารมก็ต้องอารมถึงข่าวจะผ่อนปันท่านยาไปตามเหตุตามการตามชาติตามขันมันก็มีอ่ะถึงข่าวที่จะหมุนติ้วไปตามอัดตามทําโดยไถ่ายเยื่ยมมันก็มีอะไรอะไรจะ สลายไปไหนก็ไปเถอะว่งางั้นจิตกับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็มีมการกปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวที่เดียวไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่ควรจนลงอย่างหนักมือก็มือประเภทที่ควรจะ มันมฝันทียาวไปตามมันก็มตามการตามสมัยเรื่องาตามเกี่ยวเรื่องชาติเรื่องขันเรื่องกำลังวังคาของตัวมันก็ไมีเร่องขาที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็มีเมื่อถึงขาวเช่นั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันเราบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดน่ะเอาลงหมดแม่ที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตจะหนับไปด้วยการพึ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 กองยิ่งกว่าภูเขาเนี่ก็าตามอยู่ภายในจิตเยีะกว่าสงครามล้างโลกถึงข่าวที่ันล้างทั้งหมดเอาจนขนาดนั้นนจนล้างไปจนกระทั่งกิตจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวมันไปด้วยการเสียกิเลสมันก็ดับไปดับไปดับไปกิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทําลายด้วยสติปัญญาก็เอาให้มันเห็นว่าไม่ต้องเสียดายแล้วหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงอันหนึ่ง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 ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไปซะหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นเฮอถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมกุเจ้าจิก็ให้มันเห็นแต่จะไม่แหวกถ้าลงขนาดนั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นได้ในอย่างทัดเองอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้รบกับกิเลสและอะไรจะทุกยิ่งกว่า กิเลสทับจิตใจมันไม่มีในโลกนี้ความโกรธกร็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นกิเลสแต่แล้วประเภทประเภทมันทับผมจิตใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่านี้การแก้วความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้วความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆ มันก็ต้องได้ทำหนักมือต้องเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันกีเเละทับถมเราเป็นทุกข์แต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้กับกีเเละเป็นทุกข์แต่ได้รับผลประโยชน์คือขี้เละสลายตัวลงไปโดยลาดับลำดับสุดท้ายจนกีเละไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การสู้กับกิเละคือเป็นทุกข์ หรือเราเป็นทุกข์เพราะการชู้กับกิเลสผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขอย่างมันขาดไม่ฝันเนี่ยเราต้องเทียบเคียนเหตผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สะแสวงหาเหตุก็ควรตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของกิเลสจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามตออสอง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 ในดวงใจหาความสุขไม่ได้เลยอุบายวิธีแก้จะของของแก้อย่างนั้นปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไรคล้อยไปตามเท่าไรมันยิ่งจะคิดจะปรุงทั้งกต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุ่นหมายแก่ตนเรื่อยๆนั่งอยู่ก็เป็นทุกนอนอยู่ก็เป็นทุกอยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกหาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองเพราะฉะนั้นการแก้กินแก้ลงที่จุดนี้ าการระงับการแก้ไขาการเพื่อบายปัญญาถึงหนักบัง่งเบาบ้างทุกบ้างลําบากขนาดไหนก็ตามอะยอมสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประพฤติที่ไม่ดีนั้นแล้วจะรับความทุกขขึ้นมาโดยลําดับเราต้องยอมเราต้องสู้ยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้ น, น, น เวันเป็นผู้รักตนไม่ปล่อยอะไรให้เข้ามาเผารุนเรียปล่อยอาวันนั่งคำคืยนนังลุงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามยถากรรมมันก็เป็นเรื่องยถากรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย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 เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ได้ถอยยื่งเหยียบย่าทํำลายลงหนักมือเขาโดยลำดับถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแนละ้วอันนั้นมันก็เบาลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีแเรารีบแก้นะมันก็ยังมีทางกำเริดต่อไปได้เพราะมีสิ่งระงับมีสิ่งดับอยูนะ่ภายของจิตใจก็คือเรื่องของกิเลส นความรูปความขูดความหลงความรัคมรคมกความชังมันเป็นภิษเราให้รู้มันเราแก้มันถึงเราจะจะพ้นไปไม่ได้ก็ตามการมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอท่างงานกันไปใช่ไหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษเนี่ยมันก็พอสู้กันไปได้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 เราจะปล่อยให้สิ่งอื่นมาเหยียบย่าทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่สมควรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจเราต้องคิดอย่างนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะขณะ การภาวนาในขั้นเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทำทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งไม่เคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งแต่อย่างนี้เราจะฝื้นไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องต้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปมันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึก การเดินก็เหมือนกันยนต์ขบาปการฝึกจิตนี่สําคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยปล่อยตามยะถากรรมมันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่วันเกิดกูนี่แหละแล้วเราจะมาหักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวอนยะ่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม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 ล้างมือควายเปิดฮะสลบสไห้ังูคนไม่ทุกข์จะสลบสะลหรือมีความลำบากลำบนแค่ไหนนั่นแ่ะการทำงานเป็นอย่างนั้นเป็นคติตัวอย่างได้ทุกพระอาการที่พระองค์สแสดงออกมาเราในฐานะพุทธบริษั์ไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าทุกทุกกระเบียดก็ตาม ได้แบบศึษมีครูก็ยังดีถือว่าเป็นตัวอย่างทั้งการบําเพ็ญทั้งการยึดถือฝักเป็นฝากตายในองค์พุทธะคือพระพุทธไตรจารุบริสุทธิ์เราดีเมื่อนเรากิเลสเป็นครูซิอย่างดีอะถ้าเดียวยังเห็นกิเลสเป็นภทยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้ถ้าเห็นว่ากิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้ไม่ได้เพราะมันจะกระเทือนคําว่าเราสิ่งที่มันเป็นค่าตศึกต่อเราที่จะให้รับความทุกข์ความลําบากนั้นเราเห็นว่าเป็นกิเลสเราก็กิเลสก็เป็นค่าตศึกกันก็ต้องต่อสู้กันนถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนไม่ใช่เป็นอันเดียวการเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดต่างๆที่เห็นไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก็บเราอุบายปัญญาคิดขึ้นมาเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดันางนี้ทุกข์ก็ยอมรบับการทำงานต้องทุกข์ทุกข์เพื่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไ ป, ไปทำกันไป พาฝืนกันไปบึกบึองกันไปสมกับเราเลือเข้าเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อด้วยความเห็นทุกนี่เป็นทางเดินของนักปากท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่ท่านจะหลุดพ้นว้วนแล้วแต่เป็นผู้ตะเกียบตะกายมาด้วยกันทั้งนั้น เหตุใดจะมาล้างมือเปลือบบนกระเพาะพเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกศิษย์ของทากัณฐ์แล้วแหวกแนวยุก่กบครูมอย่างเหลือหนักครูมีความทุกข์ลูกศิษย์เราก็ลูกศิษย์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็น้อยต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้เต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยครอบธรรม ทุกข้การงานยังไม่สาคัญเท่าไหร่นะไอ้ทุกข์บากเวลามันจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกข์ในเวลาทำงานท่านมันทุกข์ันมากเรายังพักผ่อนงานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปน้าย่จะสู้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเราผ่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงนเราหยุด ความทุกข์มันก็ดับขึ้นเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดซะก่อนทั้งนี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นละ่ะมันระงับได้ไหมล่ะนีะ่สมมติวันนอนอยู่มันทุกข์ทุกข์หมดทั้งตัวเลยขณะนอนเราลูกขึ้นนั่งมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย เดินมันจะเดินมันจะหายมันมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเอียบทั้งสเอามาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะ ท, ที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นนั่นเราเอานี้มาเทียบบ้าง น, นี่เหมนี้าเวลาเรานั่งเรานั่งนานยืนนานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะ ท, ที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่ง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 อันไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบกันดู เ, เรายังจะทนคิดดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหวยังยังทนจนมาทั่งตาย อ, าอันนี้ยังพอสู้ไหวอยู่แล้วยังพอถอยได้ทําไมเราจะทำมาได้คิดดเูเรามาเทียบตรงนี้ความขยันความบึกบึนความมีแจ่ใจความอาถารพ์มันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเรียกว่าอุบายปัญญาอันหนึ่ง เวลาจิตมันท้อถอยเอาอุบายปัญญานี่มาใช้มันก็หนุนขึ้นมาให้เกิดความกล้าหาญไม่สะโงกสะทานต่อสู้กันได้ใครจะได้เป็นำลำดับดับในขณะนั้นก็มีนายมีละอุชันเรียกว่าอุบายปัญญาคิดดูให้ดีเรื่องเวลาจะตายนั่นมันเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกรายไม่มีใครข้อยกเว้นในยม บ, บททั้งสี่จะเอาไปใช้ ประโยชน์ในการผ่อนคลายถึงเรื่องความทุกขเวทนาซึ่งจะซึ่งจะแสดงขึ้นในเวลาตายนั้นมันไม่ได้ผลทั้งนั้นหลยมีแต่จะแตกท่าเดียวมีแต่ทุกท่าเดียวจกนกระทั่งถึงแตกไปเลยเอา้าวขณะที่เราจะสู้นี้ทำไมจะสู้กันไม่ได้มันไม่แตกนี่มันสู้ไม่ได้จริงเราถอยได้นี่อันหนึ่ง นี่ยพอฟัดพอเหลี่ยงกันไปอุบายปัญญาอย่างนี้ให้เราคิดอา้าวขณะที่มันจะตายเอาอะไรจะตายก็ตายไปเถอะเรื่องสติปัญญาได้แหลมคมเต็มที่แล้วภาณจในจิตใจได้รักษาดวงใจนี้ไว้อย่างสมบูรณ์ไม่มีทุกเวทนาตัวใดที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทาลายจิตใจนี้ให้เสียไปได้นี่เรียกว่าแน่ใจเต็มที่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 อะไรจะสลายจะสลา ย, ยไปเสียดายมันอะไรความเสียดายเป็นความเยื่อใ่เป็นเรื่องกดทวงจิตใจอีกเหมือนกันความเสียดายนั้นคือความฝืนคติธรรมนาแห่งหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยก็เรื่องของทุกข์ทุกข์จะตั้งอยู่เป็นเรื่องของทุกข์ทุกข์จะดับไปก็เป็นเรื่องของทุกข์เราเป็นผู้รู้ทั้งที่ทุกข์ตั้งขึ้นทั้งที่ทุกข์เกิดขึ้นทั้งที่ทุกข์ตั้งอยู่ทั้งที่ทุกข์ดับไป ธรรมชาตินี้เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นผู้เกิดผู้ดบับแล้วจะกลัวความเกิดความดาบับกลัวความร่มความจมภายในจิตยอย่างไรกันอมันจะจมไปไหนเราพิจารณาเหล่านี้พิจารณาเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจทั้งเราเพื่อให้จิตใจได้เห็นชัดรู้ชัดตามความจริงนี้แล้วจิตใจจะล่มจมไปไหนถึงกตัวนักหนาในขณะจะตายเนี่มันหลอกกันเฉยๆเนี่ยตามความเข้าใจของท่านของเร า, เราทัพพูชิงว่าหลอกกันนะ แต่ไม่มีใครจะเกตนาว่าหลอกว่าตายตายตายเนี่ยอืโลกของสมมติกันมาอย่างนั้นเมื่อพิจารณาเข้าถึงความจริงแล้วโอ้ยมันหลอกอนานนานมันไม่มีอะไรตายถ้าตสี่ดินนั้ำลมไฟสลามไปแล้วก็ไปอยู่ธาตุเดิมของเขาเนี่จิตผู้ที่กลัวตายก็มันยิ่งเด่นมันไม่ได้ตายนี่เห็นชัดๆอยู่นี้มันอะไรมันจะตายอะไรจะสาเหตุที่ให้จิตตายมันไม่มีเห็นชัดๆดูว่าไม่มีเนี่ยมันยิ่งเด่น ผู้ที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายนั้ผู้รู้สิ่งทั้งหลายนั้นยิ่งเด่นนี่และไม่ห่วงอะไรจะไปก็ไปถึงข่าวแล้วไปตามการตามข่าวผู้ที่รู้ก็รู้ตามเหตุตามผลไม่ถอยในเรื่องรู้ผู้ที่สลายสลายไปไม่อะไรไม่เสียดายไม่ห่วงห่วงทำไมมันหนักยึดไว้ทำไมสิ่งเหล่านี้หนัก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 คังที่ว่าเวทนามันอะไรก็เวทนามันเป็นเราเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นมันดับไปเราทําไมยังเกิดขึ้นยังดับไปอยู่วันนั่งค่ําำคืนยังรุงอย่างนั้นถ้าเป็นเราแล้วเอาที่ไหนเป็นความแน่ใจว่าเป็นเราถือสาระอะไรว่าเป็นเราได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ว่าเราเกิดขึ้นทุกเวทนาดับไปก็ว่าเราดับไปฮหมมีแต่เราเกิดเราดับอยู่วันนั่งค่ำหาความแน่นอนที่ไหนได้ถ้าเราจะไปเอาเรากับทุกขเวทนา มันไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหะเล้วไหลอเพราะฉะนั้นเพื่อความจริงเพื่อความไม่เลี้วไหลต้องให้ทราบทุกเกิดขึ้นมากน้อยให้ทราบว่าทุก์มันเกิดขึ้นมากก็าตามน้อยก็าตามคือเรื่องของทุก์นะมันตั้งอยู่ก็คือเรื่องของทุกมันดับไปก็คือเรื่องของทุกเราผู้รู้ทั้งเกิดทั้งทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของความรู้นี่เอาใกลยเหมือนกัน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 เรียกว่ารู้รู้กันละถอนไงถ้ารู้จริงแล้วต้องละต้องถอนเมื่อละถอนแล้วความหนักที่มันเคยกระถ่วงจิตใจขงเราเนื่องเนื่องมาจากอวัยวะมันก็หมดไปหมดไปนั่นเยวาวกิตพ้นแล้วจากโทษคือความจองจําตนเองจากความน้ําพันทั้งหลายที่เป็นเหตุให้จองจำเป็นผู้พ้นพ้นอย่างนี้แหละ ที่ว่าจิตหยุดพ้นไม่ได้โดดเหาะเหินดวนฟ้ากันไปที่ไหนพ้นที่มันตรงที่มันคล่องนั่นแหละที่มันถูกจองจํานั่นแหละไม่ได้พ้นที่ไหนรู้ที่มันหลงนั่นแหละสว่างที่มันมืดนั่นเองนี่จิตสว่างสว่างที่ตรงที่มืดคือมืดมนอนการมืดอยู่ภายในตัวเองเวลาพิจารณาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปัญญาสติปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นสองแสงซองแสงซองแสงสว่างให้เห็นตามความปริน ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกนทราบว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอโดยลําดับลําดับลาดับนี่สลัดออกได้โดยลําดับลําดับอื่ความสว่างรอบตัวปล่อยได้หมดนี่ทำโมปีโปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงจิต ด, ดวงที่สว่างรอบตัวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวพันเลยนี้จะหมายถึงอะไรนี่แหละท่านเรียกว่าทำแท้ทำแท้ที่เป็นสมบัติแท้ของเราหมายถึงนี้เป็นสมบัติของเราแท้ เรียนในคำพีเรียนมากเท่าไรก็เป็นความจําเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้ตามลำดับตำราเราเรียนจำเท่าไรก็มีแต่ความจําไม่ใช่เป็นตัวของตัแท้เอาความจํานั้นน้อมเข้ามาปฏิบัติให้เป็นความจริงจนปรากฏขึ้นเป็นธรรมโมปฏิปุปเฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้นี่แหละคือสมบัติของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อย่างนี้ที่ประทานศาสนาไว้ให้รู้จริงเห็นจริงตามนี้ สันทิติโกไม่ได้ผูกขาดผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอปัจจังเวริต บ, บุญวิ่หาณท่านผู้รู้ทน า, ายจะพึงรู้จำาพราะตนคือหมายถึงว่ารู้อย่างนี้แหละนี่เป็นผลของการปฏิบัติเมื่อได้เกิดผลเต็มที่แล้วอยู่ไหนก็อยู่เธ อ, อแสนสมัยหมดกังวลโลกจะมีมากมีน้อยเพียงไรวุ่นวายในขนาดนี้ก็ตามผู้นี้ไม่วุ่นถ้าผู้นี้ไม่เป็นโลกผู้นี้ไม่หลง เรื่องโลกมันยิ่งเป็นอาการกว้างขวาง ม, มากมายไกลาจากตัวของเราไปเฉพาะอย่างยิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็คือขันห้ากับจิจนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันจนจะแยกกันไม่ออกแต่นี่เรายังสามารถแยกออกทําไมเราจะไปหลงเรื่องของโลกไกลโ น, นเี่ยการปฏิบัติผลเห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอื่นให้ผลิดขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาปัญญาหุงต้มกินไม่ได้ใช้ที่จะแก้ที่เรศ ใช่ที่จะแก้ความงงจาของเท่านั้นให้พิจารณากันเรียนตรงนี้อเรียนทำอย่าไปเรียนที่อื่นให้มากมาไกลกองเพราะทุกอยู่ตรงนี้โทษภัยมาอยู่ตรงนี้แก้ตรงนี้แล้วคุณพลาอันสําคัญสำคัคคก็เกิดไปจริงนี่งอาลักษัณฐเดชธรรมของท่าทสมควร